ไม่มีความทุกข์ก็ตัณหารุนแรงถามว่าสุขทุกเ์เราเนีนะสภาวะ ท, ทุกข์กับวิปริณามทุกเอามาจากไหนวัตถุกับอารมณ์ของเข า, าคืออะไรก็คือสังขารทุกข์เพรา ะ, ะนั้นก็มาจัดการกับสังขารทุกข์อย่างเช่นร่างกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยตอนสบายกับตอนไม่สบาย ตอนสบายเนี่ยคือสภาวะของเขาเป็นอะไรวิปริณามทุกขตอนไม่สบายเป็นทุกข์ทุกข์เสร็จแล้วก็มาจัดการแล้วใช่เอาไงดีเอาอยัางไงดีกกายนี่อะไรก็ไม่รู้ออกกำลังกายต้องไปพุ ก, การบอกต้องลงโทษมันให้มันเดินสายพาน ต้องลงโทษมันหน่อยใช่ไหมเพราะมาอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยได้เดินนี่แย่มันนไม่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาว่ารู้สึกว่าไม่ได้ลงโทษมันมันต้องทรมานมันหน่อยเดินเป็นต้นเนยนะก็มาจัดการกับจัดการกับรูปใช่ไหมเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งศกกับเป็นที่ตั้งแห่งทุกเพราะไอ้ตัวนี้แหละคือตัวทุกข์ดีๆนี่แหละ ไม่มีหรอกในโลกนะี้ กับทุกขสัตย์ทีนี้การบรรลุทุกขสัตว์เนี่ยนะการบรรลุอริยสัจเหล่าทั้งสี่ประการเหล่านี้ท่านบอกว่าทุกเนี่ยจะบรรต้องบรรลุด้วยปริญญานะสมุทัยนี่ต้องบรรลุด้วยปหานะนะนิโรตต้องบรรลุด้วยสัจจกิริยานะมรรต้องบรรลุด้วยภาวนานะอันนี้คือ คือกิจของเขาละ่ะกิจของเขาอะเข้าเป็นอย่างนี้จริงๆริงกิจของทุกข์ต้องปริญญากิจของสมุทัยต้องละกิจของนิโรตต้องทําให้แจง้งกิจของมรต้องเจริญถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมนะไอ้กิจตัวนี้เราไม่มีโอกาสแยกได้เลยเขามาไม่เชื่อว่าใครจะแยกได้จริงๆเวน้นเวน้นถ้าเวน้นแต่ฟังธรรมนะว่าทุกเนี่ยเป็นปริญญากิจสมุทัยเป็นปะหานะนิโรตทําให้แจง้งมรตเจริญ พ่อะไรเพราะว่าสมมุตินะถ้ามีใครทุกทุกใจอย่างใดอย่างหนึ่งมานะวิธีแก้ความทุกข์ในโลกนี้เขาสอนให้มีตัณหาเขาสอนให้เจริญตัณหาตัวใหม่เช่นว่าคุณผิดหวังในเรื่องนี้นะเขาเขาสอนอยังไงเขาแนะนำยังไงเขาก็ฝะให้หวังอันใหม่ต่อไป สมมติว่าผิดหวังกับวัตถุใดนะเขาจะไปชี้แนะให้หวังวัตถุใหม่แทนนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบแบบชาวโลกนะทุกๆกระ บ, บวนวิชาเลยสอนให้หาทุกอันใหม่ทั้งหมดมีไหมให้ออกจากทุกอันนั้นซะเถอะนี่มีไหมไม่มีมีแต่บอกว่าเอออันนี้มันไม่ดนะีหาทุกอันใหม่แทนแข่งขันกันหานะเพราะงั้นก็ใครมีวิย์ใครใคร อะไรก็ตามที่กระตุ้นสมมติว่าพูดถึงวัตถุในโลกนี้นะปีรูปสาตรูปในโลกเนี้ยที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยนะวัตถุนั้นคืออะไรคือที่ตันหามันชอบพันพัฒคุณค่าของวัตถุในโลกนี้วัดกันที่ตันห า, นหาเพราะตันหานี่มันมีตัวบริวารอีกคือมานะกับทิฏฐิเนี่ย อันนี้คือบริวารใช่เพราะนั้นค่าค่าของค่าของข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดในโลกนี้วัดกันที่ตันหาแล้วก็แล้วแต่เจือด้วยมานะหรือเจือด้วยทิฐิไปนะแม้โดยที่สุดก้อนหินก้อนเดียวเนี่ยนะก้อนหินก้อนเดียว น, นะ น, น, น, ยวนี้ถ้าตันหามันชอบมันจะมีค่ามาหาศาลเลยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ไม่ยอมหรือแผ่นดินเนี่ยนะสมมติถ้าไปให้ค่าโอ้เนี่ยตารางกิโลนี้นะ เยี่ยมเข็นฆ่ากันเพราะาแผ่นดินตารางกิโลเนี่ยฆ่ากันอยู่เป็นหลายพันปีแล้วไม่มีจบมีสิ้นเลยเแผ่นดินไม่กี่ตารางกิโลเมตรเนี่ย น, น, นะเพราะว่ามันไปให้ค่าตรงนั้นมากเลยทิฏฐิมันตั้งกับวัตถุนั้นเชื่อไหมของที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เชื่อไหมพุทธศาสนิกชนไม่เคยมีใครไปฆ่ากันแย่งเอาเลย ก็แถวๆนั้นนะใครจะมาอยู่ใครจะมาอะไรไม่ได้ใช่แล้วก็นี่นี่อีกที่หนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็คือแถวๆลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยอะมันเป็นที่ตั้งแห่งโอ้ทิศทีแรงมากเดี๋ยวถ้าใครไปอินเดียหน้าหนาวนะก็ยังมีคนไปอาบน้ำล้างบา ท, ทั้งหนาวสั่นอยู่นั่นแหละ จะรู้ว่าอุ้มเป็นเอาขนาดนี้นะสรุปว่าทุกอย่างในโลกเป็นวัตถุแห่งตันหาหมดโดยทั่วทั่วไปก็ถึงรู้ว่าเป็นทุกข์ก็เอาแล้วแต่ตันหามันจะสอนว่าให้แก้ทุกข์โดยวิธีใดเป็นต้นเนี่ยนะไม่เคยมองว่าเพราะความเพลดิดเพลินในวัตถุนั้นนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์เยนะถ้าไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็น แล้วก็ไม่ไม่คิดด้วยว่าวัตถุนั้นมันเป็นที่อความเพลิดเพลินในวัตถุนั้นมันเสียหายตรงไหนไม่มองไม่เห็นเพราะอะไรอย่างมากก็จะมองเห็นในแง่สมุธาจาระมองเห็นอยู่เท่านี้อย่างมากนะก็เพราะชอบนั่นแหละมันจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์ขนาดนี้อันนี้เห็นเลยใช่ไหมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติอยากสมมติอยากทานอาหารบางประเภทเนี่ยนะ โอ้ยลนลานไปหาที่เน็ตเหนื่อยก็เอาเนี่ยเพราะตันหาพามาแท้ๆถ้าตันหาที่เป็นเหตุแห่งการสแสวงหาเนี่ยคนพอมองเห็นแต่ตันหาที่เป็นวัตตมูลเนี่ยนะที่เป็นมูลของวัตตะน้อยนะักที่สัตว์จะมองเห็นที่จะมองว่าตันหาเนี่ยให้ผลเป็นทิฏฐธรรมก็มีให้ผลเป็นอุปัชชาเวทนิยกรรมก็มีให้ผลเป็น อภราริระเวทนิยกรรมก็มีอันนี้น้อยนักที่จะเห็นแต่ถ้าในเมื่อแค่สมุทาจาระเนี่ยนะอันนี้อาจจะมองเห็นบ้าง น, นะเช่นทั่วไปก็ชายหนุ่มบางคนเนี่ยตาลีตาเหลือกไปหาหญิงสาวก็โอ้นี่เพราะชอบเขาแท้ๆอย่างเงี้ยนะอาจจะมองเห็นแต่ว่าไอาท้ที่จะเห็นว่าความชอบตัวนี้เป็นเหตุแห่งวัตตานะวัตตไม่จบไม่สิ้นก็เพราะชอบอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนะอันนี้น้อยนักที่จะเห็น เพราะว่าตัววัตตมูลเนี่ยนะตัณหาที่เป็นมูลแห่งวัตตะก็คือให้ผลบางอย่างตัณหาผลเป็นทิฏฐธรรมตัณหามังหนึ่งสองไ อ, ไอตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยววันหลังนะต้องต้องมีที่ที่มัดเอาไว้พิเศษเลยนะ อ่ใช่ๆช่เพราะว่าบางทีอยู่อยู่ไปแล้วมันบันทึกได้ไหมเมื่อวานเจ๊งไปครั้งหนึ่งแล้วอ่าเจ้งเกือบทั้งม้วนเลยเพราะว่าไอไอสายไฟตัวนั้นมันมั น, ม, นมันมีปัญหาพันจะต้องเตรียมมัดให้ดีนั่นอก็ถ้าได้ก็ยังมากก็ดึงจากเทปลงของของโยมก็ได้แต่ แทรกหมดเลยไม่มีเอาคำง่ายๆว่าวัตถุใดที่เราเห็นแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหามีบ้างไหมแต่หมายความว่ารู้จักตันหาก่อนนะไม่ใช่ว่าบางคนไม่รู้จักตันหาก็บอกไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีอันนี้ไม่รู้จักตันหานะถ้ารู้จักตันหาดีแล้วเนี่ยมันแทรกทุกขนทุกแห่งมันร้อยยิ่งกว่าได้ที่เราไปเย็บนะยังไม่เท่าตันหาเลยตันหามันหนักกว่านั้นเยอะตันหามันได้นะมันร้อยอยู่แค่ในผ้า ตันหานี่มัน้อยอยู่ทั้งแผ่นดินทั้งในอากาศร้อยเต็มไปหมดเลยสรุปวัตถุที่เนี่ยทวารหกที่เราเคยเห็นเนี่ยนะเคยได้ยินหรือจักเห็นจักได้ยินก็ตามทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นที่ตั้งแห่งตันหานั้นตันหาอาจจะรูปแบบหนึ่งนะเพลินเฉยเฉยรู้สึกว่าเพลินหรือชมว่าดีพอใจปรารถนาเนี่ยนะ วันนี้เพลินแล้วก็ชมว่าดีหรือพอใจหรือว่าปรารถน า, านะติดใจลุ่มหลงเน αι, ี่ยก็ไม่เห็นมีอะไระนะไม่เหม็นมีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาเนี่ยไอ้ธรรมดาอันนั้นแหละเขาละแปลง่ายๆว่าไม่รักใคใจเลย ไม่รักใครจิตใจเลยถามหาศีลก็ไม่มีหาสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีนะเฉยตลอดเลยตันหายาวเลยนะทั้งหมดนั้นชาวนะเหล่านั้นเป็นตันหาทั้งนั้นแหละสำคัญว่าจะรู้จักเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาเทกไปเกือบชวนะที่ไม่เป็นไปกับตันหาน้อยนะเขาจึงเรียกว่าเรียกกามมพบว่ากามะตันหาหรือกามมาพบเนี่ย เพราะชาวนะของสัตว์ในภพนี้นะมากไปด้วยกามตัณหาเนี่ยนะคือตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพอตภะเนี่ยนะคนที่จะเข้าใจตัวนี้ดีนะเมื่อตามเห็นว่านี้ทุกนี้วิปริณามทุกนี้สังขารทุกนี้ทุกจะเริ่มรู้ว่าโอหเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตัณหาเรามันมากขนาดนี้เลยหรืออ่นนะต้องตองตอ ง, ตองเมื่อเจริญไอปัญญาที่ไปเห็นทุก เห็นเห็นวันนี้ทุกจริงๆจะเริ่มรู้ว่าโอ้ตัณหาเรามากขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็จะเริ่มเห็นแ่ะแต่ถ้าไม่ไปเห็นวันนี้ทุกเนี่ยนะทุกกะทุกเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่เห็นแบบนี้นะจะเิ่รู้เลยว่าตัณหาตลอดอตุเช่นเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยนไะ อ, อ, อ, อ้สุดหลอกกัแล้วกัน นะสมมตินึกแล้วนะไม่ใช่ไม่สบายใจหมายความว่าไม่ระคายใจเลยอนะนหนึ่งนะแปลว่าไม่มีปฏิฆะไม่ขัดใจเลยสองทานก็ไม่ได้นึกแล้วก็ศีลก็ศีลห้าไม่กระดิกศีลแปดก็ไม่นึกเลยสมถะก็ไม่สนใจสี่สิบกองเนี่ยนะ วิปัสนาภูมิขันธาตุอายตนะก็ไม่ได้เอามาคิดนั่นแหละตันหาหมดเลยเอาวิถีจิตเนีเ่ยไอ้เฉยเนั่นแหละดีนักเลยวัตถุใดนะถ้าตันหาที่มันชอบนะไอเ้เฉยเเนี่ยนะเป็นตันหาที่เราวัรัดแน่นกว่าอย่างอื่นเฉยเฉยไปหมดนะลองมันไม่เจอดูสิจะเดือดกว่าอย่างอื่นอีก ใช้เฉยๆทำนานะเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนร่วมๆมกันเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือคนใกล้นะอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมติอะอย่างสามีภริยาหรือพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเหมือนมีความรู้สึกไม่เคยอัสาท่าอะไรสักเท่าไหร่นะลองตายดูสิโอจะรู้เลยนะรู้ว่ามันมันเนี่ยนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรอีกเลจะรู้ว่าโทรมานับเนี่ยนะสุดซึ้งนะแคกว่าร้องให้โดยไม่ต้องคิดเลย เขามาขำ ม, มากเลยคนนึฝันฝันนาโยมคนหนึ่งนะก็ถูกรดแบนหัวเนี่ยแบนหมดเลยนะของเรารู้สึกเสียใจเอะเรามาเสียใจทําอะไรเนี่ยรถเหยียบซะหัวแบนหมดเลยทำไมรู้ไหมเพราะว่าดูรูปประเภทอุบัติเหตุเยอะก็เลยพอเห็นก็าหัวแบนในในฝันนะก็เลยเสียใจเอเราเสียใจทําอะไรเนี่ยเนี่ย ก็ให้เห็นว่าโอ้โหมันไอไออุเบขาเนี่ยมันไอเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรนะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตดีนักแลสมุริวบางคนนะเห็นสวนบ้านที่ดินนะเห็นแล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมเพราะเห็นมานาแล้วแต่ถ้าบอกว่าอะไรนะถูกยึดถูกอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยนะที่ไม่ใช่อยู่เบื้องหลังตันหาเราอะนะจะเริ่มรู้แล้วว่าโทมนัตกับ วัตถุนั้นป่านใดไม่เชื่อเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์ินิตตอนนี้นะโสมมนัดกับรถคันนี้ไหมไม่โสมแล้วใช่ไหมเฉยๆต ล, ลอดมาหลายปีแล้วเฉยมาหลายปีแล้วถ้ลองกลับไปแล้วมันไม่จอดที่เดิมดูสิท่านโธมนัดเนี่ย <c oughs> เริ่มแล้วต่รู้ว่าทุกๆเรื่องเลยนะโดยที่สุดอะไรก็ตามเถอะ สมุดดินสอ ป, ปากกาข้าวของเครื่องใช้แว่นตานาฬิกาเนี่ยใช้มาเฉยลองหาไม่เจอดูถึเห็นไหมเส้นผมส่วมทรงร่างกายเนี่ยยิ่งร่างกายของเราดูเหมือนไม่มีอะไรนะดูเหมือนก็ว่าเราไม่ได้รักอะไรตัวเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเราจะต้องรับทุกข์นะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องตายเป็นต้นเนี่ยเริ่มนะเดือดร้อนหมดนี้ก็พระ อ, องค์จึงสอนให้เห็นว่านี้ทุกข์ให้รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นอะ่ะเป็นที่ตั้งแห่ง ตันหาตัหาตัวนี้แหละเป็นมารดาเพื่อ น, นำให้มีทุกอันใหม่นนะนะเพราะฉะนั้นความจริงก็มีแต่ทุกและเหตุเกิดแห่งทุก์เท่านั้นทุกที่ใดนะทุกเนี่ยมันเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสังโยชนิยธรรมอ่านะโอปาทานิยธรรมอ่านะ นิวรณนิวรณียธรรมอ่ะนะหรืออีกคุ้นเคยก็คือสาสวะโตตัวตัวขันห้าน ะ, ะสังโยชนียธรรมหมายว่าตัวมันนี้เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์น่ น, นะตัวทุกตัวเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์สังโยชน์สิบนะ อ, อุปาทานิยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานิยธรรมเนี่ยนะคือที่ตั้งแห่งอุปาทานส่วนนิวรณิยธรรมเนี่ยนะก็คือที่ตั้งแห่งนิวรณเช่นสาสวะโตก็คืออารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะสะรุปว่าเป็นแดนโครจรแห่ง อกุศลเรียกโย่อๆว่ามารามิสโต น, นะเยื่อของกิเลสบาน น, นะกิเลสบานนะมันไม่ได้ไปชอบที่ไหนหรอกมันชอบแ ถ, แถวอุปาทานขันท่านี่แหละอย่างเราเห็นนะเราไม่ได้นึกว่าเราจะยึดถืออะไรมากมายเลยใช่ไหมแต่ว่าการเห็นของเรานะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างอย่างแรงกล้าต่อเมื่อเจริญวิปัสสนาคิดวันนี้ทุก วัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเนี่ยน ะ, ะนั่นแหละจึงจะรู้ว่าจะรู้ว่าโอ้โหวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างแรงกล้าคิดง่ายๆจําจเป็นภาษาไทยไทยง่ายๆก็ได้ว่ามันคือวัตถุแห่งสังโยชน์เยื่อของสังโยชน์ก็ได้มันคือเยื่อแห่งนิวรณมันคือที่ตั้งแห่งความยึดถือเนี่ยนะ เป็นที่เป็นเหยื่อของพญามารเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุมาลเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมารเพราะฉนั้นทุกเนี่ยกิจของเขาคือทำปริญญาใช่ไหมสมุทัยกิจของเขาคือการละนิโรธกิจคือการทำให้แจ้งคุณวิลาวันถ้าจะบรรลุอริยสัจนี่เขาบรรลุยังไงไม่นะไมโอ้เสียหายมากนเนี่ย ใช่เอาเอาโดยหลักวิชากร อ, อย่าเอาเราไปวัดอย่ระบากเอาไหมอริยสัจมีสี่ใช่ไหมทุกสมุทยัยนิโรธมักทุกนี่ควรกาหนดรู้หรือทำปริญญาสามนี่นะสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญถ้าจะบรรลุบันลุมีชื่อหนึ่งเรียกว่าปฏิเวท หรือว่าอภิสมัยก็ได้อภิสมัยเนี่ยนะถ้าจะบรรลุนะบรรลุอริยสัจเขาบรรลุกันยังไงทุกเนี่ยบรรลุด้วยปริญญาสมุทัยบรรลุด้วยด้วยการละนิโรธบรรลุโดยทําให้แจ้งมรคนี่บรรลุด้วยการเจริญ แต่ถ้าบรรลุจริงๆเนี่ยนะด้วยด้วยขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิโรธคือนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรียกบรรลุนิพพานโดยอารมณ์บรรลุทุกข์กับสมุทัยโดยกิดโดยกิจ โดยสรุปว่าทุกเนี่ยบรรลุโดยปริญญาแต่เป็นยานที่บรรลุเนี่ยคือยานในขณะอริยมรักใช่ไหมยานในขณะอริยมรักขณะที่มีนิโรธเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าทำกิจปริญญาชื่อว่าทำกิจละมีนิพพานโดยอารมณ์แทงตลอดนิพพานโดยอารมณ์นี่นไม่ได้ว่านอกตําราเลยนะเนี่ย ตรงไหนตรงกลางๆหน้าห NO ้าสิบเจ็ดอะดูไหมตรงกลางกลางหน้าห้าสิบเจ็ดอะใช่ใช่สัจจะสามเนี่ยแทงตลอดโดยกิจทุกแทงตลอดบรรลุโดยปริญญาโดยกิจสมุทัยนี่ละโดยกิจมรรจเรญโดยกิจนิพพานเนี่ยโดยอารมณ์นี่นะบรรลุโดย อารมณ์ก็กิจ4่นั่นแหละกิจสี่นั่นแหละแต่ว่าโดประเภทกิจ3าประเภทอารมณ์หนึ่งเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิเวทะเนี่ยนะการแทงตลอดหรือบรรลุเพราะในในยุคใหม่มๆเนี่ยนะเขาปรารถนาการบรรลุที่เชื่อไหมเขาไม่ค่อยปรารถนาบรรลุแบบนี้ง่ายงายกันหรอกเคยได้ยินไหมใครตั้งความปรารถนาบรรลุแบบทำกิจเหล่านี้บ้าง ขอนิพผานก็ขอกันอย่างนั้นเลยเชื่อไหมไหมครูขอนิพผานก็ขอกันอย่างนั้นเลยก็เขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีก็เอาเอาบ้างครูว่าเราอยากได้ดีเขาบั้งอ่ะนะแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยบขอบรรลุด้วยปริญญาในทุกขนะไม่ได้ขอบรรลุด้วยปธานะในสมุทัยน้อยนักที่จะไอโดยอารมณ์นี่ก็ไม่รู้จะเข้าใจแค่ไหนไม่ทราบนะ บรรลุมรด้วยการเจริญเนี่ยแล้วก็มรกของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าครบแปดองค์หรือเปล่าไม่รู้ที่ขอขอเคยขอให้ข้าพเจ้าเจริญมรกครบแปดองค์บริบูรณ์นะแต่ไม่แน่นะคุณชูศรีไปสาธยายมรดแปดได้แล้วนะสาธยายเพราะมากเันก่อนสาธยายให้ฟังเนี่ยวันหลังให้คุณชูศรีมาสาธยายมรดแปดโอ้ได้ทั้งบาลีทั้งไทยด้วยนะ น, นะดีมากเลยนะมรกแปทั้งบาลีไทยนิเทศ<ม>ก็อาจจะตั้งความปรารถนาเจริญถูกต้อ ง, องนนะก็โดยทั่วๆัไปนะอย่างว่าอริยมรตปรารถนา น, านิพพานใช่ไปรารถนาบรรลุพระนิพพานก็มาทบทวนดูนะว่าอริยศัสตร์นี้เขาเขาถ้าจะบรรลุก็บรรลุอย่างนี้แล้วบรรลุด้วยญาณเดียวยาณเดียว แต่ยานเดียวนี้ก็มาแบ่งระดับไหนระดับสโสดาปฏิมร์ระดับสกะทาคามีมร์ระดับอนาคามีมร์ระดับอรหัตตมร์ยานเดียวเนี่ยแต่ทํากิจสี่ครั้งยานเดียวคือมัรคยานเนี่ยนะทำกิจสี่ครั้งทําระดับสโสดาปฏิมร์สกะทาคามีมร์อนาคามีมร์และอระหัตตมร์ถามว่า ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมต้องบรรลุซ้ําๆกันตั้งสี่ครั้งอย่างนี้ทำไมทำไมอันนั้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรหนอเพราะอะไรหนอคุณตุจิ น, เ ก, นเกิไไนที่จริงนะถ้าโดยโวหารโดยคำเนี่ยเราได้ฟังกันหมดแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าอะไรนะ ยังต่อกันไม่ค่อยเป็นะนะถ้าต่อเป็นไม่ยากโดยการเรียนไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะทุกประกอบปด้วยอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนขันหานะนนะทีนี้สมูทัยเนี่ยนะอยากจะให้ชื่อโดยอนุสัยเรียกสมูทัยอีกชื่อหนึ่งอนุสัยเจ็ใช่ไหยกเป็นกลุ่มๆเลยทิฏฐานอนุสัย วิจิกิจชานุสั ย, ยากามะราคานุสัยปฏิคานุสัยอยะไรภาวะราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยครบ7แล้วใช่ไหมอันนี้จะไม่เรียงแบบที่พระพุทธพจน์เรียงนะเพื่อสะดวกบางอย่าง นั่นไนงะโสดาสกทาคามีอมืขอโทษขอโทษนั่นไนงะโสดาปฏิมรกเนี่ยเมื่อบรรลุ เมื่อบรรลุโสดาปฏิมักนะชื่อว่าได้ทำปริญญาในขันห้าเดี่ยปริญญาตัวเนี้ชื่อว่าได้ทำปริญญาในขันห้าเพื่อละทิฏฐิกับวิจิกิจฉาเขาทําปริญญาเพื่อละทิฏฐิกับวิจิกิจฉากิเลสตัวอื่นจงยกไว้ทํากิจเท่านี้มันเหมือนอะไรนะงานที่สาสางสี่รอบอะตรวจงานสี่รอบอะ่ะ น, นก็ตําำราเริ่มเดิมนี่แหละแต่จะเอาอน ะ, นะสี่ระดับใช่ไมไ่มก็ต้องดูว่าสงสัยมีสงสัยอะไรบ้างคือเขาทำปริญญาในขันห้าจนละทิฏฐิ่63ละวิจิกิจฉา16หรือวิจิกิจฉา8ดเ น, นี่ยนะเขาทำปริญญาในขันห้าจนสา ม, มารถละได้เท่านี้ ขันห้าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิหกสของพระโสดาบันเลยขันห้าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา16หรือวิจิกิจฉา8ของพระโสดาบันอีกเลยอันนี้คืออนุภาพของโสดาปฏิมักที่ไปทําปริญญาในอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นโสดาปฏิมักนั้นอะชื่อว่าทําปริญญาในขันห้าเพื่อละสมุทัยคือทิฏฐิกับวิจิกิจฉามีนิป แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์พร่นอมองออกแล้วใช่ไหมอย่างงี้ว่าทำไมมรรคจึงต้องมีสี่มรรคอย่ น, นทีนี้พอพระสกะทาคามีเนี่ยนะในส่วนของรูปและก็ทุกขเวทนาเนี่ยนะ รูปที่เป็นปิยรูปรูปนะคือรูปประกอบไปด้วยระไรูรปกามคุณห้าอภิยรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยพระสะกะทาคามีนะทำปริญญาเพื่อทำกามราคะกับปฏิฆาให้เบาบางท่านมาทำปริญญาเนี่ยเน้นที่เพื่อกำจัดฉันทราคะในกามคุณหแต่ละได้ 50% ปรซทำปริญญาเพื่อละโทสะเนี่ยทำปริญญาแล้วละได้ 50% อันนั้นคืออนุภาพของสกทาคามีมัค ก, ก็ทําปริญญาเนี่ยเมื่ออนาคามีมัคเกิดนั่นแหละจึงทําปริญญาเพื่อละการมราคากับปฏิฆะอย่างได้เด็ดขาดไม่งั้นนี่ไม่ได้ทีนี้แต่ก็ขันห้าก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งภวะราคะามา น, านุสัยและเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาอีกอยู่ดีก็มาทาปริญญาใหม่ทาปริญญากิจอีกครั้งหนึ่งเพื่อละ ภาวะราคานุสัยมานานุสัยและอวิชานุสัยเนี่ยนะถ้าไม่ทําปริญญานะพวกนี้กําเริบอีกจนได้ใช่นปูตุชนนะอนุสัยเกิดได้เท่าไรบอกเกิดได้ไม่อั้นถ้ามันนี่นะถ้าพระองค์แสดงมากอันนี้มันจะเกิดมากอว่ น, นี้สรุปว่าไม่มีขั้นเลยใช่มเจ็ดอย่างนี้เราไม่เหลือถ้าพระสกะทาคามีนะขันห้ายังเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส ห้าตัวอะ น, นะอนุาสาอรีก5้าถ้าพระอนาคามียังขันห้ายังเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกสามเพราะฉะนั้นอริยมรดยจึงต้องมีสี่มรดด้วยประการเชนี้แล้ไหนนะนก็ถึงว่าทีเนาะ ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ไมคใ่่ควรจะลงื้เต้องขอใครในปากที่าจางานหนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดเทปแทนนะก็จะนั่งบังอยู่ื่อยกันนะ